ไม่มีหรอกอันนี้ถือว่าเป็นศัจธรรมเลยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงควาว่ายึดมั่นถือมั่นนี่ก็คือเข้าไปติดเข้าไปเกาะเพื่อให้สิ่งนั้นได้อย่างใจเราเมื่อเราชอบก็ต้องอยู่กับเรานานๆอย่าพลัดพรากจากเราไปไหน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 ตามธรรมชาติมันถูกตามธรรมชาติไม่ถูกอย่างเราแล้วก็ไปเกาะไปเกี่ยวไปยึด ต, ติดใจก็เป็นทุกข์ถ้าเราไปฝืนกฎของธรรมชาติที่ก็เป็นอย่างนั้นเองเนกฎของธรรมชาติเนี่ยถือว่าเฉียบขาดมากรจะว่าเป็นพระเจ้าในพุทธศาสนาก็ได้คือกฎของธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบฝืนกฎของธรรมชาติใจเลยต้องเป็นทุกข์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 อันนี้แนหะจิตใจนีสรุปแล้วเนี่ยกายกับจิตนี่แหละเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นที่ทําให้เราต้องเป็นทุกข์ลองสำรวจดูอันนี้คือความจริงถ้าเราใช้ชีวิตแบบฝืนกฎของความเป็นจริงเราก็ไม่ถึงเขั้นยึดมั่นถือมั่นนะเราก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตแบบเข้าใจกฎของธรรมชาติคือใช้ชีวิตแบบสอดคล้องกับกฎธรรมชาติ ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยอย่างกายกับจิตของเราเนี่ยที่ว่าเป็นของเราเนี่ยนะเขามีความเปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ์ของเขาถ้าเราทําความเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตสะท้อดคล้องกับความเ ป, ปลี่ยนแปลงของร่างกายเราก็จะไม่เป็นทุกข์คือไม่ฝืนแล้วยิ่งจิตใจยิ่งแล้วเลยอ้โใจเนี่ยเ ป, ปลี่ยนแปลงมากเป็นคๆลงๆฟูๆแฟบๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์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 ปัญหาของคนทั่วไปเนี่ยจะว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ตามก็จะมีอยู่นี้มีความอยากแล้วก็ความไม่อยากอย่างนี้แหละยิ่งนักปฏิบัติธรรมยิ่งแล้วเลยพอเริ่มปฏิบททัติธรรมบอกว่าเริ่มเนี่ยมาไปปฏิบัติธรรมกั น, เ, นเอามาปฏิบัติธรรมกันจดเจริญนสติพร้อมๆกันเนี่ยจิตที่เราตั้งไว้ก็คือ อยากให้มันสงบใชนะ่เริ่มต้นด้วยความอยากอยากให้มันสงบอันนี้เป็นความยึดมั่นถึงมั่นแล้วนะคือต้องการให้มันสงบตามอำนาจของความอยากคือตัณหานั่นเองหรือบางทีคนที่เริ่มเข้าใจธรรมะนะ้อยเริ่มปฏิบัติเป็นเลนยอ่ะก็เกิดความไม่อยากเวลาจิตใจมันคิดฟุง้งซ่านไม่สงบก็พยายามต่อต้านผลักสายออกไป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 หรือทำสมาธิก็ตามดูเถอะถ้าเราทำแล้วมันเครียดมันหนักประวัติศีรษะแน่นหน้าอกปวดตามหัวไหลอึดอัดบางทีคลื่นไส้อาเจียนเลยไอเ น, นี้ยเกิดจากว่าเราไปยึดมั่นถึงมั่นไปกดทับกดทับให้มันสงบขับไล่ความคิดความปรุงแต่งพุ่งสร้างในจิตใจเราเนี่ยธรรมชาติมลงโทษให้เราเป็นทุกข์หละแต่ถ้าเราจเจริญสติเพียงแค่รู้เฉย โอมันสงบก็รู้มันมันไม่สงบอก็รู้มันมันเผลอมันหลงลืมก็รู้อันนี้ใจเรามันจะผ่อนคลายนะถ้าใจคนที่ปฏิบัติแล้วผ่อนคลายสบายๆรู้สึกตัวอยู่สบายๆเบาๆไม่เคร่งเครียดอันนี้ถือว่าถูกทางนละการปฏิบัติรำเนี่ยก็เพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อการหาทุกข์ใส่ตัวเราเนี่ยคือความผ่อนคลาย แสดงว่าเราทําแบบปกติแล้วไม่ไปยึดมั่นไม่ยึดติดอะไรไม่ต้องการอะไรเนี่ยแค่รู้เฉยๆถ้าเราไปบังคับกดข่มแทนที่จิตมันจะสงบกับฟุ้งซ่านหนักก็อีกแต่ถ้าเราเพียงแค่รู้สึกตัวเฉยเรู้เฉยเรู้สึกเนี้ก็เกิดความสงบได้ง่ายนะเพราะจิตมันไม่เครียดมันเป็นปกติการปฏิบททัติธรรมมันก็เป็นเรื่อง ยากเป็นธรรมดานะมันก็ต้องมีความยากบ้างง่ายบ้างก็มีบางคนบอกโอ้การปฏิบัติธรรมนี่ง่ายนะอันนั้นก็ถูกของเขาบางคนปฏิบัติแล้วโอ้มันยากเหลือเกินเนี่ยทําได้ยากมันก็ถูกอีกอะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะเป็นความจริงที่เราจะต้องเผชิญมีทั้งความยากความง่ายการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีสองอย่างไม่ยากก็ง่ายถ้ า, าอยากจะหนีความยากความง่ายแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรเพราะนั้นไม่เป็นไรหรอก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 ถ้าเกิดการท้าทายเนี่ยมันจะมีความกระตือรือร้นกระตือรือร้นที่จะอาชนะสิ่งนี้ให้ได้ความยากความลำบากมันจะแค่ไหนกันคิดท้าทายป็นว่าโอกิเลส ต, ตัวน้นอยบางทีเอยไม่มีตัวมองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวนี่มันมันสักแค่ไหนกันมันจะเท่าไหร่กันต้องรู้จักที่ว่าเขียนเสือให้หวัวกลัวซะบ้างมองภูเขาเป็นกองทรายเล็กๆซะบ้าง มันอยู่ที่ใจเราวิธีคิดเนี่โอ้มันไม่เท่าไหร่หรอกไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ยังไหวนะถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ย อ, อุปสรรคต่างๆเนี่มันแทบจะล้มละลายเลยนะเพราะใจเราเนี่ยมันมันมีกําลังใจเหนืออุปสรรคเหล่านั้นมันยากก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กเอาเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กซะเราจะมีความกระตือรือร้นที่ทํำในสิ่งนั้นมันมีรสชาติการบฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนี้แหละนยากก็ท้าทาย มันไม่ใช่ว่าเราจะยากคนเดียวหรอกไม่ใช่ว่าเรายากคนเดียวหรอกโอ้มันยากทุกๆคนแหละครูบาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยากลำบากมาก่อนเนี่ยภาษาวกก e ครูบาจารย์เพื่อนของเรามันยากยกันทั้งนั้นเลยโอ้ยิ่งผมเนี่ยยิ่งยากเลยาการมีชีวิตที่ผิดปกติร่างกายผิดปกติทุพลภาพเพียงแค่การใช้ชีวิตก็ยากแล้ว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 สิ่งที่ยั่วยาวจิตใจเราต้องเอาชนะมันให้ได้โดยการให้รู้เท่าทันมันได้ความยากความลำบากเลยเป็นกลายเป็นสิ่งท้าทายเลยแต่เพราะนั้นพวกเราเนี่ยที่ปฏิบัติทำรรอย่าคิดว่ามันยากมันยากก็ดีเราจะได้รู้จักเอาชนะมันมันสบายก็ดีแต่ว่าเป็นบุญของเรามันเกิดการท้าทายได้ทั้งนั้นเลยไม่มีวิธีการปฏิบัติธรรมแบบไหนหรอกที่ง่ายแบบไม่มีอุปสรรคเลย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 ชีวิตที่มีชีวาถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่มีชีวาเนี่ยมันก็เซ็งเซ็งเบื่อเบมันไม่กระตือรือร้นมันไม่มีรสชาติชีวิตที่มีชีวาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีรสชาติโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยการเจริญสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทาให้เราได้พบกับความเป็นจริงสติเนี่ยทำให้เราเกิดความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแม้ว่าสิ่งนั้น อาจจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราเราก็รู้จักที่จะ ย, ยอมรับแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็เอาชนะสิ่งนั้นได้ด้วยการารู้เท่าทันแล้วก็รู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมันม่นมันก็ค่อยๆจางคลายไปมันก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้รางการจิตสติเนี่ยสำคัญมากผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปตั้งใจคิดอย่าไปเจตนาคิดเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิด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 มันเกิดความอยากความไม่อยาก เ, าเราก็รู้แค่รู้เฉยๆจิตมันก็จะผ่านไปอย่างผ่อนคลายเป็นปกติสำคัญนะเนี่ยอย่างให้พวกเราได้ทำตรงนี้ห้มากๆขยันสร้างสติเนี่ยเป็นเอาจิตใจของเราเนี่ยออกจากความทุกข์ะบ้างออกจากความโกรธออกจากความทุกข์ออกจากความหลงเราจะโกรธจะทุกข์จะหลงไปจนตายหรือเราต้องสมัครแกจะลาออก จากสิ่งเหล่านี้แล้วบ้างการลาออกนั้นก็ไม่ใช่อะไรก็เพียงแต่มาขยันทําความรู้สึกตัวขยันเจริญสติรู้กายรู้จิตไปเรื่อยๆเท่ากับเป็นการประกาศลาออกไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องไปหวังผลอะไรผลของการปฏิบัติเนี่ยจะเกิดมาเป็นยังไงนั้นไม่สําคัญเท่ากับว่าเราได้ลงมือปฏิบัติแล้ว